ใครไม่เคยหลวงพ่เพ <t od em |ms|> ี mainland, ma ้ยนนะอย่างนี้ม่เคยเหยนะเด็กได้กระูกว่ตถุเทศจะตัดไหนางทีแค่ยากไปต้งไม่ดีแค่ง่ายไปตองไม่ดีเรามาศึกษาตำรัเราเห็นไหนๆก็เข้ารัดูนะยกคนดน ที่เต็มเกอบสาสิบปีธรรมาของท่านยาานังดำนโรอยู่ธรรมะของท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ท่านสอนก็ว า, วาอซื้อเป็นบุญของคนไทยสารหรือเพราะคนทำสื่ได้รูบมาจากเหมือนโบกถระทิประว่างส อ, ง น, องหาหา น, นันเวเติมตต่างๆก็เรื่มดเรินมติดตามแ้วไปไหนก็พูดถึท่านเรื่อย เด็าน้อเราเคารพท่านนึเถ็งมุลคุณของท่านปริาสาวสอนเร า, า, ร า, ารมาไ ด, ด้ดีได้ดีขึ้มมนม า, มาต้นก็ท่านพยายามดำรงธรรมะที่ท่นสอนเรามาตลอดต่อพวกเราบางคนไม่มีโอกาสที่จะฝึกธรรมของท่งานคนนั้นจะคิดว่าหลวงป่หลวงสาตกริงจริงไม่ใช่ ูกศิษย์ท่านมีช่แล้วครับรูปกายก็มีรูปจิตก็มีหลายแบ บ, บ ท, บ า, ทานที่หลวงก็ ม, มีจักมีจับเบาท่านเป็นปีนาบอกว่าปีนาบอกอยู่เส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้เนพะาเส้นเดียวเบาท่านก็ดูกระดูเแต่หลวงพ่อมาเฉยท่านท่านให้ ด, ดูจิตท่านเห็นว่เราเป็นคนบริสุทธิ์มานที่มันเหมอะกับคนเริสุทธินสมัยใหม่ ทำงานที่คิดทั้งวันยังให้เรานั่งสมาธิมาเราหลายหชั่วโมงที่นั่งไม่ไหวใจเราคุ้งเต็มที่อยู่เป็นเช้าขึ้นมาตัีตารางไปทำงานทางานก็้เหน iz, <advantages. S 2> ื่อยทั้งวันกลัมาพักข้าให้นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงนั่งไม่ไหวไม่เหมือนร่างนะมันต้องเปียนกระตากเปลี่ยนนั่งสมาธิไม่เยอะหน่อยโยนเปียนดี้เปียนระบากนากลาเรารูงทาได้ เป็นปูพาสอบการะยิสนาและเข้าไปกราบท่านบุญจีท่านอยู่ในโบสถ์ในทางเป็นถึงกข์หลับเรีตนท่านหลงูของขอยากปฏิบัติท่านเล่พูดนะท่า น, นหลับราให้เงียบไปกืบชั่วโมงท่านลืมตาให้ก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากสกพหรผู้เล่ปฏิบัติผ่านหนังสือม า, มากแนละ้วแต่เป็นทิ 5, อ่านจีบนเองท่านสางพ่อให้บุญจีนเอง จำเลยท่านสอนมาเป็นครูที่หลังท่านฉลาดนะท่านแหลงโป่งจริงๆหงพ่อตอนนั้นตั้งแต่เจ็บวงนังสมาธิทุกวันทุกวันเดินปัญญาไม่เป็นไปได้ยินคูบาอาจารย์สอนให้คุณพ่อเราที่เจรร่างกายเราที่หนังตาดูผมนะดูแป๊บเดียวมันสลายไปเห็นหนังศีรษะดูนังศีรษะแมนสลายไปเป็นหัวกรดดดูหนะัวกระโดดมัห็นหัวขาดไป ดูกระดูกอนนี้เห็นกระดูกทั้งตัวดูไปแปบเดียวมันกระเดื่ดจะเป็นแสงสว่างเราไปเปลาแล้วเป็นแล้วดูดีเปล่นานอย่างเี้ยนันต่างอยู่แค่นี้นะครับต้องเวลาเฉพาะที่หตักกายรู้สึกนิสะยดกเลยรู้สึกเป็นครับแค่ไม like ่ถูกจริตนเองนี่พอมาเจอหลวงปู <SU ục> ่หลวงปู่สลากแหลมคงสอนแต่คนสอนคนเป็นเหมือนกันแมคงดูแล้วรับ ก็วงพ่อเป็นตัวคนในเมืองวันวานเราทำงานที่ใช้ความคิดมากมายงั้นถ้ากรรมาฐานอะไรที่บหมะกับคนใช้คิดก็คือการดรูจิตดูใจของตัวเองนั่เออันนี้ตรงตเป็นตำราอภิธรรมเลยนะท่านไม่ได้เรียนกัอภิธรรมหรอนะกหลวงพ่อแต่ว่านะท่านคงไม่ได้เรียนแต่ท่านภาวนานนะความรู้ความเห็นของท่านนั้นแจ่มแจ่มแจ่มแจ่ ง, จ, งจริงๆก็ลงตันกับตำราอภิธรรม แต่รรมที่ทำมสอนจริตนิสัยของการปฏิบัติมีสองจริตจริตในการทำวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตแต่คนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้จักเราตัอจะได้ยินแต่เรื่องราคาจริตโทสะจริตโหะจริตพวกนี้ไปได้ยินไหพทธิจริจตจริตสัตาจริตัจจริตไริตกอย่างเนียเป็นจริตเอาเรื่องอารที่ใช้ําสมรรถาพสมรรถตั้าเปาปสงค ถ้าปิดในที่โง่ๆก็จะเจริญเมตตาก็สรงด้วยธรรมธรรมะที่ทรงตั้งโง่มากที่เจริญเมตตาพอเมตตาเกิดโทรศัพท์กหาเรือาคมากเข้ามาพิจารณาปฏิบูลที่น่าสุภาพแต่จิตใจสลรถเวกเห็นไม่สวยไม่งามน่าตายไม่สวยไม่งามจิตก็สงบจากราคะ ถูกสร้างมากมาตามนานาประสาทปีแนใจออกในแจก้าป็นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ที่ไม่ถูกสร้างในเรื่องจริตตนนี้เราไม่ทำศาสนารรมสร่งจริตเป็นการทำที่ภาสนะธรรมมีสองจริตจริตหนึ่งชื่อปัญหาจริตจริตเปนจริที่กีจริตปัญงาจริตนี้นเป็นจริตที่บอกบัวนที่มีตัญหาจริตคือพวกรับสูบรับสบายรับสวยรับนา อย่างพวกหบังคนมันดันอ ย, อยู่หน้ากระจกนานมากสองแล้วสองอีกนะเหลือแตจโอกาสคนเรือๆแล้วก็วัดตลับแป้งออกมาสองกระจกอีกเนพวกราัสูตรับสบายหรับสวยหนะลักงามัฐอานที่หมอะสมวนนก น, นี้นะคืนการดูไปเพราะร่างกายมนสอนให้เห็นเลงไม่สูดไม่สบายไม่สวยไม่งามจริงๆถ่งใอี ย, อยางนป็นสำหรับคนเมือคนช่างชิป วันันทํางานด้วยความคิดตลอดเวลาคิดเก่งไม่วันพวกคิดเก่เฉลี่เจ้าปรับคิดเจ้าปวามเหงิกกรรฐานที่บอมกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเหงิกคือการดูจิตือจิน ด, ดูใจของตัวเองแล้ม่งจิตใจเราจะสอบให้เห็นมีแต่ของบกพคับไม่ได้นะจิตใจเราจะตัดมันตังให้ดีมันต้องไม่ดีเลยห้ามชั่วมันต้องถูกชั่วสตังให้สดมันต้องที่สดนะ้วห้ามผูกมันก็จะถูก เนี่ยมันใจนะถ้าเราไปรู้ไปดูจิตใจของเราเป็นผู้เป็นบังคับไม่ได้ห้ามเป็นใจพวกปู่ไม่ได้เราจะเป็นบังคับใจของคนอื่นก็ทําไมแจของเราเราจะบังคับไม่ได้ความาจความคิดจะความเก่งเลยจะค่ายๆลดลงรู้เลยว่าถ้าเรายึดตือในความคิดความเก่นของตัวเองยิ่งเยืะมากก็ยิ่งทูกข์มากใจจะค่้ยๆใส่เป็นกรรมฐานที่ตางที่ใส่พวกคิดมากเนี่ยหลวงปูดูยด้สอนหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเลย ทำงานถ้าทำงานใช้ความคิดมันไม่ได้ทาได้ไถนาเลยรับเงินรับค่าช่าทำงานแล้วถ้ใช้ดูจิตดูใจเองเป็นกรรฐานที่เหมาะต่นเราทำงานดูจิตดูใจตอนเราค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะมาทดูจิตดูใจนะถ้าดูจิตเป็นนะเราจะมีสีนะถ้ดูจิตเป็นเราจะมีสมาธิถ้าดูจิตเป็นเราจะได้ปัญญาแล้วถ้าดูจิตนะจะได้สีและสมาธิได้ปัญญา ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราครบถ้วนบริบูรณ์มีพุทธก็จึงเกิดขึ้นความอุบุญกจึงเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปั้งแต่เกิดส่นดาปิมักขึ้นไปก็จึงเรหัสมักเนี่ยเรหันมาเรียนสรมะอยจิตอยู่จิตนะที่สมบุกที่เรามเพัญเทวะของหลวงปู่เราควรจะตั้งฉายาท่านว่าเป็นอะไระเทัเจ้าแห่งการดุจิหรือปรมาจารย์แห่งการรุจจิท่านไม่ใช่เทพขนธ์นะ เทพเจ้าต er mm ้องไหวท่านท่านภาวท่านตระหนั้วกระหน่มื่อากินใจกันเองโในที่ไม่มีสีคนทำผิดสนฆ่าได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ากิเลสเป็นข้อกหลังจิตคนจะฆ่าเขาจะดีเขาทำรายเขาจะดขาเขาก็โผก่ใส่เป็นข้อกหลังจิตคนจะต้อดึกผิดสีผิดธรรจะตโมยเขารักเขาเป็นชู้กับเขา ก็ร่าง้ายเป็าพความจิตจิงแล้วเมายาขาสตินี้โมหะจะปรากนให้คนเราทำสตินิ้ได้ก็กิเลสเป็นภาพความจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเรารู้อทางกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตก็รู้ทางกิเลสอะไรเกิดที่จิตก็รู้ทางรู้บ่อยๆไม่ต้องไปห้ามมันเพราก็จิตเป็นอำนาจตาตัดมันไม่ได้กิเลสก็เป็นอำนาจตาตัดไม่ให้เกิดไม่ได้ มมีใครห้ามกิเลสไม่ให้เกิดนะห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งกิตต่อเพียงให้มีกิเลสสั่งไม่ได้ทั้งิตักิเลสประกอบด้วยต่สภาวะที่เรียกว่าอนัตตมีลักษณะเดกันคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครแต่เราจะทำางไรดีต่อไปนี้นะถ้ากิเลสอะไรเป็ดขนที่จิตที่ใจของเราเราควรู้ทนงเป็่อยก็เราู้จักโกรธให้เทงโรต้งดูิเห็น ก็พวกทีดเยอะพวกที่เหลือเนี่ยหน้าหาามีไม่ปวดแล้วแพวกไม่ยอมรับสาราบสะมกกว่าเกิดพวกเราไม่จับโลกเราไม่จับในโลกอยากได้โน่อยากได้นี่อยากได้โทรศัพท์มือถือมีไหมได้อยากได้ของตางเื่ออยากได้รถยนต์อยากได้บ้านอยากได้เงีย มีแล้วก็อยากได้อีกนะความอากไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพระเจ้อกรัติปันนาสมาจิดีพุทธนามส่วนไม่สนานไม่ถ้าความอยาก เ, เกิดขึ้นเรารู้ทีนนะ่พนความอยากยังต้องหลอมใจอยากมากมากแล้วเป็นไม่ได้มานะมันหาทางจะได้ปิดซีที่ทำมันก็ทําได้ถ้าเรารู้ท่านใจเรานะความอยากอะไรเกิดขึ้นที่แจงรู้ที่าำ เราโกรเกิดเพที่จะรู้สันะออกงเพราะอ่านเราต้องรู้จักเราโกรธแล้วกรู้จักให้รู้จักพุ่งพลาดนะให้เคยพุ่งพลาดครนะับก็เยอะเลยดีนะที่มองเห็นว่าจะภาวนาให้ดีต้องซื่อตรงต้องซื่อตรงกับตัวเองนะจิตใจองเราดีกี่เด็กต้องรู้ทันครับกี่กี่เด็ถ้าเราอยากภาวนานให้ดีอย่แปลกป้ายว่าันดีอยู่แล้วไม่มีจริงหรอกฉันดีจริงต้องไม่ทุ่ ถ้ายังตุ้มอยู่แสดงม่อยั่ดีจริงเงกิเลสแต่ละอย่างแต่ละยาพวกเรารู้จักอยู่แล้วราคาพวกเราก็รู้จักโทรศาพ์พวกเร า, าการ็รู้จักทุกมซ่าเราก็รู้จักปดูรู้จักไม่ปดูก็รู้จักอีกชนิดฉิบช้าเป็นไหมฉิบชา้ากลัวเป็นไหมกำมัวเป็นไหมันจ บ, บันกำมวหลายทีไหมแต่ละคนรู้สึกไหมอยากทำังค์หวงพ่อจะพ้เทศจกบ่นก็จะนานไม่ทัน ประมาณทางนั้นกลับวนวนอย่างแบบว่าชา้ามันหาเรกับวนเรื่องตลอดเลยนะกิเลสทุกชนิดนะก็เรารู้จักอยู่แล้วไม่ยากหรอกที่เราจะรู้หรวงปู่ดูลึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะพุ่งใ น, นปฏิบัติกิเลสนั้ น, เ ร, รรรรนเรารู้จักราคะโสดโบงหาพุ่งสร้างโสดาบูดีใจเสียใจนั้นเรารู้จักหมดแต่เราระงเลยที่จะรู้เราเป็นนิสัยปฏิทัติเลย กิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ตันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไร่รู้ตั้งเสียไปมากนะแล้วเมื่ไรกิเลสเกิดแล้วเราไม่รู้ันจิตจะตกเป็นสู่ความสุขตกในขั้นตามใจกิเลสตามใจกิเลสเป็นความสุโตกในสร้นตามใจกิเลสคือเราก็อนุืิปกรรมสู่ความวิจารณีโยคจะพุ่งไปในกลางนะพุ่งไปในรูปพุ่งไปในเสียงพุ่งไปในกลิ่นพุ้มไปในรสพุ่งไปในสัมผัสพุ่งไปชอบใจพุ่งไปไม่ชอบใจ การปฏิภาัก็เกิดตาขโารสั์เกิดขึ้นตอนที่จิตหนีไปพุ่งไปนี่เราพยายามห้ามนะแค่จิตพุกงสร้างเราแตรู้ถ้าจิตพุไปหนีไปเนี่ยเรียกว่าหย่อนเกินไปถ้าเรากลัวว่าจิตจะพุงแล้วเราเจ้าอไว้ไม่ให้ตาสายตาเรียกว่าตื่นเกินไปถ้าเราเจ้าเท่าไหร่ะมันจะมีฐานขึ้นที่ใจใครเคยภาวนาแล้วรู้สึกสีฐานรากจริงไหม แต่นอนในกอเกหน้าก็ดูนะยังไม่หายดีเลยนะเลิกโนหลให้ดนี้นะ่อยู่เฉยๆรเข้ามาอยู่ัวจิตจะหลบไปกัวจิตจะหนีไปกลัวกีเลสจะเกิดกลัวตูดกลัวทั้งหลายเน่โทรศัพท์ทางหน้าเลยนะเรากลัวมากๆเมื่อเราต้องไปคอยจ้องดูไม่ให้พลาสายตาการทูจิตมันไม่ใช่ดูไม่ให้พลาดสายตาเราให้ตาหูจมูกิ้ก๊สใจทงานไปตามธรรมชาติตามรงเห็นรูป จิตระหัสไหวยินดียินไล่รู้ทันเหตุนิส่ยใช้ได้ไม่ใช่ไปเพ่งจิตไนิ่งๆถ้ามีความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกเนี้ยตื่นเกินไปถ้าความรู้สึกเกิดแล้วยังไม่รู้ไม่ว่าหยามเกินไปแต่อย่าให้จิตของเราสุดโต่งไปสองผั่งถ้าตื่นเกินไปถ้าหยามเกินไปเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้กิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้อย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดถ้ารอดูจะตื่นเกินไป ถ้าดูแล้วก็อยากให้กิเลสหายไปจ้องอยากทําลายกิเลสอันนี้ก็เตื่นเติบตีถ้าเหลือไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นอันนี้หย่อนเติบไปเรายังให้กิเราสุดต่งไปสองฝั่งเนี่ยเอาแคว่ากิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดรู้ทุกแค่นี่พอละถ้าเรากิเลสเกิดแ้วเรารู้ทันในกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงมจิตขึ้นได้จิตอาจจะลงมาจะเกิดขึ้น คนที่เรียนกระมางจากหล่อนะนับจำนวนไม่พวนเรากีเมียวทีแสบคนไม่รู้นะ้ำมีทั่วโลกเลยหลายคนอะไรงนะานจะานวนมากนับไม่ถูกเหมือนกันบอกว่าแต่ก่อนคือสี่งยากเดี๋ยวนี้คือสี่ง่ยายถ้าใดแต่ก่อดให้เรารักษารีิที่ปากที่มือที่เท้าไปควบคุมเองไปบังคับเองไม่ให้ทำผิดสิส่งยากต่างว่ากไม่ถูกปากแน่นแน่นย่างต อยากปลอยนัะเก็บมือไว้ไม่ปล่อยต้องแจ้งมารื่นหาเลยท่านมหาธรรมนามหาดูจิตดูแจตัวเองกิเลสเกิดมาเรารู้ทันกิเลสจะดับไเองวันที่สติเกิดกิเลสจะดับนี่เป็นผลของธรรมะนะของธรรมชาติธรรมดาเลยเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่นั้นไม่มีสติเมื่อไหร่ดีสติเมื่อนั้นจะไม่ม like ีกิเลสเพะฉ้ากิเลสเกิดเพื่อเรารู้ทันแล้วสติเกิดกิเลสจะดับเอง พระกิเลสดับเนี่ยถึงไม่เจตนารักษาสีชีนก็มีชีอนอาจจะล้มละทิ้งไปชีนในการภาวนาอยากได้มากได้ผลจริงๆต้องถึงอท่าชีอนอาจจะล้มละไมเวลาที่อริยมรรคเกิดชีดอนอาจจะล้มละสติว่าจะโนมละสมาธิว่าจะล้มละปัญญาว่าจะน้มละประทุลงที่จิตที่จิตเองแล้วถ้าเราอยากเจอชีที่มือที่เท้าที่ปากอยู่ ไอ้คว บ, บคุมไปเราคับตัวตีที่ น, นี่ ก, กระพรอบกระแทกขาสติเมื่อไหร่ก็ปากก็ว่าก็ไปรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามีสติพวกไฟกินเลยเจอที่จิตรู้ทันกินเลยเจอที่จิตรู้ทันมันจะไม่ว่าใครไม่จ่าใครที่ตีใครนะไม่ขโมยของใครไม่ไปชูห้หรอกใครไม่อยากาอ ก, อยากินร่าของยากินไปไหนไม่ขาดสติธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วกินหนักที่หลักกว่าเปล่สติยิ่งหายยากอยู่ เน้าตูจินะหนตจิตเมื่อต้องไปเราได้สีความรู้ทางอิเล็ที่เกิดพิธนทจิตเราจะได้สีหน้าตูจิตกลัไปอีกทำยังไงหุ้าตจิตยังไงจะเกิดสมาธิหนจิตจะเกิดสมาธิได้ต้องไปข้อตอนาแล้วมาส่งันดาลรายงานการปฏิบัติขอลปู่บอกท่านหอนานดีเจดเดอรบอกท่านว่าตอนาไปแล้จิตมเพิ่มเพิ่มไปอีก นั่นบอกจิตเป็นข้าวสมาธิตอนนั้นเราเองค น, นายโมกูที่เขียนท่านนะบอกผมไม่ได้เข้าสมาธินะไม่ได้นัน่งไม่ได้ น, น, นั่งสมาธิในตอนนั้นไม่ได้รู้พุทโธไ็่รู้ล ม, ม, มหายใจหรืู้จิตอยู่เฉยๆที่ทไมหลงปู่ว่าจิตเป็ข้าสมาธิเรางูบอกว่าถ้าดูจิตสมาธิอาจจะลงมาอาจจะเกิดขึ้นถ้าดูเป็นนะมันจะเกิดสมาธิอาจจะลงมา สิ่งที่เราผ่านแต่สมาธิคือความคลุกซ่ากันไความคลุกซ่าคลุกไปในตามก็ได้คุกไปในสิ่งที่ไม่พอใจก็ได้คุกไปลังเลสงสัยก็ได้คลุกสติสตากลุกไม่รู้ว่าคลุกอะไรก็มีแต่ละพัจะคุกคุกไปแล้วบนปูสุึๆเชื่องเชื่องดูอะไรไม่ออกเลยก็มีคิดไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งวั่นกับความคลุกซ่าของจิตยังจบทางสมาี่คือความตั้งมั่นของจิต ค้าว่าไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุงสร้านแล้จิตฟุ้สร้างเวลาจิตฟุ้งร้างเป็นยังไงจิตจะหลงแตกจิตจะไหลแตกลบคุณรเรีกาจิออกนอกจิตสอปนอกจสอ็เนอกส่งทางไหนได้บ้างส่งทางตาส่งทางหูส่งทางจมูทางลิ้นางกายทางใจส่งไปะอารมณ์่นอกนะส่งไปทางตาก็ส่งเปดูที่นตูดดูแต่เก็บแม้ดูจิไหนก็ดูคนอื่นทุกจิตรื่งสิ่งทุกิไม่ดูตัวเองหรอก ส right. me, ่งไปฟังต้องฟังคนอื่นพูดใช่ไหมฟังตัวเองพูดเรานหมไม่ฟังนไม่อยากฟหรอกอยากให้คนอื่นังเรานะเราไม่ฟังตัวเองส่งไปจดจีบส่งไปคิดต้นส่งไปรู้สัมผัที่กายที่ออกนอกไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปคิดเป็น่องเป็นตัวเป็นแตกไม่ส่งไปทางใจไปเก็บได้พวกเราส่งทางใจกินข้าวบ้านเดี๋ยวก็คิดแปรดีเดี๋ยวก็คิดแปรหนาคนนะเดี๋ยวก็พู่งไนูเดี๋ยวก็พู่ไปนเรามือปัจจุบัน จิตเราไม่ต้ตานมันอยู่กอนแต่คือว่าจิตอย่านี้ใคไม่ต้จิตไม่มีสมาธิถ้ า, าอยากให้จิตมีสมาธิทา่านยังไงรูร้ทางจิตที่คูนั่งรูร้ทางจิตที่สออกไปสออกไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจส่งทางใจจสดเป็นชีพเป็นย่งไงรูรัผ่านเวลาที่จิตหลอกไปทางตานุ้ผ่านจิตไหลไปทางหูนุผ่ น, น, น, น, นไม่ยากหรอกที่จะรู้นะ ไปเก็บในเวลาที่เรามองอะไรชิ้ อ, อยา่างหนึงกินอะไรอยู่อยู่กับสิ่ที่เรามองมอยู่กับสิ่งที่เรามองจนเราเดินเดินอยู่นะเห็นสาวสวยเดินมาเราไปดูสาวสวยกินอะรอยู่อยู่ที่สาวนึกอกไหมหไม่อยู่กับเดิตัวโถงนะหยุดไม่อยู่กับเดินระโถงไปเก็บมีแต่ถุงถังหน้าหน้าใบหนึ่งเดินมาคุณรู้สึกนะในจิตมันชอบออกอกไหลออกไปตลอดเราไปมีสตินะไปมีสติ เยเราไป่รู้ทันเวลาฉีดฉลาดคล้ายสลาป่านะลาไปทางตาสลาดไปทหูเวลาได้ยินคนก็คุยกันเราอยากรู้ถ้าต้องพูดต่างดังเราก็อยากฟังถ้าต้อพูดชุบซๆอยากฟังเห็นไหมอยากฟังเวละตั้งใจฟังตึกที่พุ่สดหัวเมียตั้งบ้านเขาซุบซุบไหลเป็นล้นข้าจะมีทีเด็ดอะไรตั้งขณะที่ตั้งใจฟังเราลืมใจลืมใจตัวเอง้หอมั้ย คิดไปอยู onda, uk, ่โลออกนอกไปนะขณะที่เราดูเราก็ดูกายาูใจเองคิดแล้วออกนอกไปขณะที่คิดนูนคิดนี่เราก็ดูกายดูใจสังเกตได้ในเวลาที่เรานั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเรามีร่างกายเราก็ดูร่างกายเรามีคิตใจเราก็ดูคิตใจเั้นเมื่อไหร่คิดลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปมองจีบหลงเป็นรู้รสนะหลงเป็นรู้สัมผัสทางกายอย่างร้อนก้อนแข็งถ้าจิตไหลไปหลงไปเนี่เรามีกายเราก็ดู มีใจแตก็ืมจิตมันไม่อยู่กับเน้อตัวสมาที่แล้วถ้พูดภาษาไทยชาวบ้าชบ้านต้งพูจิตมันอยู่กับเนิ้ตัวนะครับจิโขอเรานลืม้อลืตัวสลอดไหลไปออกนอกไปตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปจมกลินไหลไปลิ้มรไหลไปรู้สัมผัสทางายไหลคิดนื่อะไรอดีตงานอดตายผู้ตายกั้หมดลืมเน้วลืตัวลืใจลืใจของตัวเองจิตใจที่อยู่กับเนื้อับตไม่มีสมาธินะแล้วจิตที่มีสมาธิมัจะอยู่กับเนืกตัว แล้วหลัการคืดูจิตยังไงที่จะให้จิตใจอยู่บนเนื้อตัวให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคอยรู้ทันเวลาจิตมันลงไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันแล้วจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังรู้ทันแล้วจิตที่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดรู้ทันแลจิตที่งไปคิดเริ่มต้นถแค่สาช่องทางนี้ก่อนสามช่องทางนี้เกิดบ่อยระหว่างดูระหว่างฟังระหว่างคิดเนี่ยจิตเราดูทํางานอะไรมากกว่ากันงรม่รอดไหม อันไหนใครว่าดูมากที่สุดยก้วเปิดยช่ยังไหใครว่าปากมนดูก็มีแต่ากเมีใครว่าคิดโอคิดช น, นะนแะล้วเเป็นศาสตาที่ใคิดแต่สิ่งไม่ใช่าสตที่ใส่ที่ต่ำา ม, มาที่มันใสนะต่ ม, มาจริงๆแล้วจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมยอที่สุดอ่ะงั้นเราหลงได้หกช่องทางถ้าเราเห็นต้อ ง, อ ง, องหช่องทางยากนะนีช่องเดียวเป็นช่องใจเ คิดลองทางใจงง ร, จรนในนู้รู้ผ่านคิดหลงไปคิดกับรู้ผ่านคิดหลงไปคิดกับรู้ผ่านทเราจะรู้ผ่านได้ดีรู้ผ่านได้ง่ายรู้ผ่านได้เร็วเราต้องมีเส้นอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ใครถนัดอะไรเอานั้นแหละใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุทโธใครถนัดรูด้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครจะนั่งมาา้าค้าค่าสัมมาอระหังจะดูท้องฟองยกจะเหยัยบมืออย่างลงก็เจียบเหมือนกันหมดอหะก็ไม่ผ่านอะไรก็ได้ แต่ว่าให้คอยรู้ตามจิตไปเช่นพุทโธแล้วจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันลวงท้องมองยกไปจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันสามารถหาแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันีถ้าเราคอรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเราคอยรู้ไว้หมดไหลปั๊บรู้ป้าบไหลปั๊บรู้ปั๊บจิตเฉยไม่ไหลเมื่อจิตไม่ไหลีจิตจะตั้งม้านขึ้นมามืจิตตั้งมั่นนี้ไมว่าจิตแบบนี้สมาธิจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตใจอยู่กับเนืตัวแล้ว่าต่อไปนี้ร่างกายเคลื่นไรวคจะรู้สึกอัตโนมัติเลยจิตใจเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกโดยอัตโนมัติไมู่เนื้อหนึ่ตัวจะเหลือซ้ายแกขวาที่รู้สึกตัวได้ตลอดตอนที่เรียนจิตตฐาอยู่ข้อตนนี้เนี่ยอยว่าแต่ความตื่นตามหลับนะคลิซ้าคลกว่าจังรู้ตอนที่รู้สึกใจขนาดใหญ่เยอะแยะเลย้กเรามีแขรู้สึกได้บ้างแล้วตอนนี้มีไหมมีมั้งตา นอนหับอยู่นะที่ฝ้าไอ้ฝวารู้สึกมีจีนี่รู้ได้กัยอมรับน่าจะเริ่มีสติแกะกล้าขึ้นมาแกะตั้งนั่ขึ้นอาตไปเรื่อยตอนตื่อย่งหลับนะจิตพยับามคลๆตื่นะจิตมาตื่นน่ร่างกายยังหลับอยู่ถ้าตืได้ขณะนี้ไต้องกลวจระับน เวลาเราจะตายแล้วนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นส่วอปีหนึ่งเาจะทํางานมันมคล้ายๆเราหลับนอตต์รา้าใครเคยนอนหลับนอตต์ร้ายแล้วสติเราลึกได้บ้าง้ยกเลิสิแต่วาุนี้เสี่ยงนอตตน้อยหน่อยนะแตอยนีไ้ไม่ร้อยเปรเซนตะโยโย่าดภาคแต่ว่าพรนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นเกิดกระของแดงคิดเกิดตกใจสติเราลึกมากตกใจนะะแของแดงหานอยู่ ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจเป็นผู้สมขึ้นมาไม่ตกระโลภนะและ้วไปไปรู้พันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปอาเครื่องมือเราเป็นเครื่องสังเกตจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมในใจอยู่กับ้องความรู้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ว่าอยู่กับอะไรก็ควรดูพันจิตไปถ้าเราภาวนาแล้วเราทิ้จิตแล้วเรา ท, รทิ้แก่สารสาระของการปฏิบัติไม่ใช่พ่อหลวงผู้ดู น, ะ ท, นะที่เล่นมาที่จิต ครบูบาอาจารลงเข้าไปเรียนด้วยหลายองค์ท่านลงมาที่จิตเหมือนกันลงคุณที่จะสอนเอการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้าจิต จ, จุงใจไม่ได้สาระแก่สา ร, สารของการปฏิบัติถ่าพูดถึงขณะนี้นะมาดูในธรรมะที่คุณเจ้าสอนท่านบอกจิตเป็นใหญ่ใช่ไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นตตานธรรมทั้งหลายสำเร็ จ, จ, จเป็ น, นจิตใจทำเป็เป็นกุศลนากุศลหรือว่ากดอีก a r m a สำเร็จด้ใจด้วยจิตด้วยใจของเราเองงั้นเรา่ยาอยากก สมาธินะง่ายๆแต่เดิมเราสูงด้วยการบังคับเองพุทโธพุทโธพุคโธพุทโธบังคับไม่ให้เป็นดีคิดมันเกครียดเครียดแล้วจิตจะไม่สงบแต่ว่าพุ้โธพุทโธแบบสบายนะจิตดีมีคิดรู้ทันจิตจะสงบเมื่อไรจิตมีความสุขจิตจะสงบเมื่อไรจิตไม่มีความสุขจิตจะคงที่แล้วเราไปรู้พานจิตพอเราไปสบายๆนะพุทโธไปจิตดีไปเรารู้รู้ไปสสบาย มันจะค่อยๆผีสั้นลงสั้นลงเลยผีในกายไม่คนคนคนตัวลงมาแล้วรวมเข้าที่จิตอันเดียวแล้วเราหันดูจิตดูใจไปนะสมาเที่ยวตลอดนั้นจะเกิดเป็นดวงดวงมาที่จิตได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ผลิตผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้คิดผูเพูดผู้ดูผู้แต่งหลงไปข้างนอกดัะนั้นเราดูจิตให้เป็นนะถ้าเรารู้พันเรียนที่เกิดที่จิตเราจะได้ขีด เรารู้จิตที่สอลลอกนอกเราจะไดสมาธินี่ดูจิตอย่างไรให้เกิดัณห น, นี่สาคัญ น, นะนเราควรเรื่องเปลี่ยนกันเปนั้นาแต่คสอนของพระพุทธเจ้าดส้ที่ว่าดูจิตคือจิตไม่ดูจิตจติอย่าไปประคองจิตท น, นิ่งให้ว่างเป็นปองจิตทนิ่ ง, งให้ว่างความคิดอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งหมดเลยจะาว่าง อันนี้ไม่ใช่ดูจิตอันนี้เป็นการปรูดแต่งจิตนะเป็นแต่จิตให้ว่างดัะนั้นไม่ใช่ดูจิตหลวงปู่ม่ได้สออย่างนั้นแต่ว่ามีคําสอนคล้ายกันอย่างนี้เหมือนกันที่ว่าจิตไหลแต่เรารู้ไหลเราดูนั่นที่บอกว่าตัดทิ้งเป็นคําสอนเพื่อให้เกิดสมาธินะะงั้นอย่างบางคนหลวงปู่บอกว่าประคองจิตให้นิ่งประคองจิตให้ว่างอะไรเกิดขึ้นตัดทิ้งไปเลยอันนี้ต้องแยกให้ออกนะว่าเป็นการสอบดูจิตในระดับใด นั่นคือการสอนโดยจิตให้เกิดสมาธิไม่ใช่การดูจิตให้เกิดตัญญาการดูจิตให้เกิดปัญญานหลวปูเองก็เริ่มจากรลวงปม่หลวง่่นสอนอะไรหลวง่ม่นสอนบอกสัพเพสังขารสัพพสัญญาอิจาสังาทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัเพสังขารสัพพสัญญาหนาตาสังขาทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นหน้าตาเราทำไม่ได้ถ้าเรอะไรถเรียนเรื่องสังขานะเรียนเรื่องปรัชญาของจิตไม่ได้ปเก่งใส่เกิดจิต ไม่ได้เปห้ามความรุมแต่งของจิตจิตรูงแต่งก็ได้แต่รู้ทันท่าเมื่อไรพยายามห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งพยายามประกองจิตที่ิีอันนี้ท่านเรียกว่าโหนาการของจิตเ้าไปแทรกแซงจิตแล้วก็เคยจิตมาเรียนกับท่านครั้งแรกในหลวงปู่พาสอนะงพนห้าร้อยี่สิบห้านั่งปฝอยู่สามเดือนช่วงยี่สิามมากราบพระจิตที่ดสามเดือนมารายงานะท่านนะว่าตอนนี้ จิตเป็นผู้รู้แล้วนะจิตไหลแล้วอย่างเช่ไหลแล้รู้แล้วว่ารักษาจิตไม่ได้ทั้งวันเลยปรคกอบจิตอไว้ได้ท่านบอกเลยนึกว่าท่านจะชมนะว่าเราเก่งดูจิตเก่งจิตไม่หนีไปไหนแล้วนะจิตนิ่งๆว่างๆสงบอยู่ไม่ชมเลยนะท่านดูพาเลยว่าอ้าวท่านมันโง่ไปแทรกแทรอาการของจิตแล้วนยังไม่ได้ดูจิตเลยนะ คำว่าดูนั้นเป็นท้อตัวเองอยู่แล้วดูคือดูดูไม่ใช่ประกอบดูไม่ใช่บระคับดูไม่ใช่แปลว่าปกปูดดูนั้นหมายความว่าอะไรดูหมายความว่าจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นจิตมันเป็นอะไรจิตมันต้องเป็นไปตามสัญญาที่มาุงจิตเป็นไปตามสัญญาที่มาุงจิตอะไรสัญญาที่มาดูแต่งจิตเช่นราคามรดงแต่งจิตขึ้นมาจิตนี้ก็มีราคาถ้าเราดูจิตเป็นเราเห็นเลยจิตที่มีราคาเกิดขึ้นเราสั่ง ให้เกิดหรือเล่าเขาไม่ได้ส like ั่งมันเกิดเองเราก็ข้ามันไม่ได้ห้ามมันไม่เกิดได้ไหมห้ามมันก็ไม่ได้จิตจะมีราคะเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงแต่เดาไม่มีราคะตอนนี่มีราคะเราเริ่มเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะดูทางความดูแต่เที่ยงไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะหลวงปู่จดจำเลยว่าใช้จิตแสวงหาจิตที่กลับมันไม่เจออย่างที่ดูตัวจิตตรงๆเรานก็เป็นจริงๆนะจิตสาระสาระเดินตามน จิตเราเนี่ยแทนที่จะสร้างมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตเป็นไหเป็นไหก็เป็นวางอารมณ์ายในนะถ้าเป็นเลือดือดก็แบกเข้าไปเป็นจากตัวผู้รู้ไหมท่านใช้ดูจิตจิตเป็นตัวรู้แลวก็ไปจ้องตัวผู้รู้ให้ค่าสายตาเลยตายเป็นเพ่งตัวผู้รู้ตอนที่เราเพ่งตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้เกิดตัวผู้รู้ซ้อนที่นไปแล้วเราไปดูตัวผู้รู้ที่ซ้อนถ้าเกิดตัวผู้รู้ซ้อนซ้อนซอนไปไม่มีที่ซึมสูงเลย งันการเช่งจิตนะให้ดูนะให้ดูความเชื่อไหวให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยจิตมันเชื่อไหวเปลี่ยนแปลงตามสรราัญญาตามสังขารตามเวทนาที่มากรูเปเวทนามากรูปจิตได้นะสังขารมกรูปจิตได้นะสัญญามากรูปจิตได้นะแล้วเราคอรู้ทันจิตที่กรูปแต่จิตเกิดขึ้นเราคอยรู้ทัรู้ชัดเจนรู้แล้วเราจะเกิดสัญญาเห็นไรตรลักการเดินปัญญา น, นั้นต้องเห็นไตรลักถ้าไม่เห็นไตรัก ในเรื่องวรรษศาสนาเพราะงั้นเราอย่างเร า, าดูจิตดูใจเราเห็นไหมจิตเมื่อกี้ไม่โกรธตาีมจุดแสดงอะไรเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีสแสดงความไม่เที่ยงแตนะ่อกี้เดี๋ยวนี้โกรธนะดูไปเรื่อยๆหายโกรธหรือเขาเคยมีแล้วก็หายไปอันนี้ก็ไม่เที่ยงของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาของมีขึ้นมาแล้วหายไปนี่แหละคือความไม่เที่ยแ ง, ลยงยแล้วเต้ารู้ลงไปเรื่อยๆิตมีแต่ความไม่เที่ยงหรือเห็แต่ความทุกข์นะ จิตนี่มันมีความหยุดพั น, นยู่ในภาวะอนใดเดิมตลอดไปไม่ได้จิตทุกข์ก็อยู่โ่วงดาวนะทนอยู่ไม่ได้หรอกกิตหยุดพันจิตทุกข์มันก็ทนอยูอยไ่ได้นะไม่ต้องไปทําอะไรความทุกข์มันก็หายได้เองมีใครเคยทุกข์นานๆแ้วนะอยู่นะเองเจนนี้ถ้าทุกข์นะมันไม่ได้ทําอะไรก็หายได้นะอย่างอกหักนะคิดว่ามันจะไม่หายเพราะว่ามันอยเศร้าใจทั้งชาติาาา อ, อย่างเกิดเสีงเศร้าๆต่างๆทีเศร้าหนักกว่เขาอยู่ดีไม่เป็นรากจริงไม่ต้องทําอะไร รู yes. and and cool ้ไปเรื really ่อยๆนวันเดียวเราหายแล้วมีหรอโครงการวิการตอนนะมันเป็นมิจายน้าเน่าตอาอย่างยุ่งจิ๋จิตธรรมดาจิตแก่ต่าไม่มีอะไรที่ควตคสาววอู่ได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาล้มสลายมดไม่นอยูไม่ได้เรียกว่าทุกข์แล้วเราจะเห็นอีกจิตไม่เป็นของสัไม่ได้สั่งใหดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้นะสังให้สุก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้การที่เราควบคุมอันไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้เียว่านัตตา เนี่ยการที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงของจิตรู้ทันวควา ม, มเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แต่ไม่ว่าดูจิตจะเป็นการดูจิตในขั้นการปฏิบตัตนะินี่นมีการดูจิตอีกทางหนึ่งในขั้นที่เกิดอริยมรรคจะอีกแบบนึงคนละแบบเลยว่าคนละเรื่องเลยแต่ว่าอาศัยการที่คอยรู้ทั น, ทววาาท ค, ทนความเป็นไปลงการิจารณ์ทุกฐานะลักษาของจิตของใจเราไปเรื่อยเป็นจุดหนึ่งสุดที่สมาธิปัญญาขังเราจริงจะรวม เวลาที่อริยมรรคเกิดจิตจะรวม้็อัญหาสมาธิเป็นหนาเกิดลงมาถึงชาตินี้ยังไม่เคยนั่งสมาธิเข้าฌานได้เลยแต่จะะเจริญสติรูปความจริงของจิตใจไปเรื่ถึงจุดหนึ่งจิตจะรวมอีกไม่สส่ให้รวมเปนรวมนะจงใจให้รวมแล้วก็จะรวมั้งทีพวกเราทำงานคิดตลังคิดตลอดนะถึงแม้แบบจิตรวมก็รวมของมันเองเลยแต่รวมแล้วบางคนนะมันกำลังไม่พอสติสมาธิปัญญาไม่พอ รงมลงไปอยู่พักช่วงเปล่ก็ดีขึ้นมาใหม่ทุ้งสร้างดูแต่งต่อไปวันไหนสติสมาธิปัญญาก่อนพรประชุมลงที่จิตเดียวลงสติระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ลงไม่ไหลไปที่อื่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งของมันเองนะมันไม่ไหลแล้วก็ไม่คิดไม่ยู้แต่ไหนปัญญาอย่างรู้ลงไปเห็นความเกิดดับภายในแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับเพราะไม่มีความคิดไม่มีสัญญาด้วย จะเห็นแต่ว่าสิ่งบาสิ่งเกินแล้วก็กับสิ่าสิ่งเกิดแล้วก็กับเนี่ยสติสมาธิต่างๆนั้นรวมลงที่จิตตั้เยอะเลยแล้วนี้มักจะสิ่เกิดขึ้นโตแล้วอันนมักจะไม่เกิดในขณะที่จิตของเราอยู่อย่างขณะนี้จิตอย่างพวกเราสักทีเรียกว่ากลางวัจรสิทธิ์จิตที่ลงมีในกางตั้งใจฟังหลงข่อรู้สึกไมเดี๋ยวามองหน้าหลง่อตาแอบเลยไหมิออกนอกหมอนี้มัจเกิดได้แค่จิตออกนอก ตั้งใจฟังเนีย <angef> จ <ilt progress> ีก wow, you know, ah, ah, ah. ah, ah, ็ไม่รู้เรื่องที่ฟังตั้งใจฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปไปสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปรู้สึกไหมฟังไปแต่ว่าอะไรแล้วคิดมัฟังแล้วก็คิดอะไรคิดสลับกันตลอดเวลานะเมื่อเวลาเราอ่านอลานี่ยอ่านดดูใจที่จะให้เกิดจัตญาณดูความเปลี่ยนแปลงดูการเสล่อไปวเปลี่ยนแปลงของจีไปเลยเราจะเห็นอย่างนี้มันกบังคามไม่ได้น สาไม่ได้สกมผับไม่ได้ถ้ามันพอจิตจะรวมจิตรวมและสติสมาธิต่างๆมันจะซ้อนลงไปที่จุดเดียวเลยลงไปที่จุดเดียวเลนอะไรว่างเป็นเกิดขึ้นมันจะแบกน้ำสว่างเลยที่พอทู้จริตแยกออกไปจากนั้นจึงเกิดสภาวะหนึสองสามขณะแต่ละคนไม่เหมือนกันอันหนึ่งจะว่างไปที่สองจะมีแสงสว่างพุ่ขึ้นอันที่สามจะมีความเบลอๆพุ่งขึ้นมาโยงคู่กันจะเรียกว่าจริดจี ตัวที่เป็นตาึ้งมาแล้วจิตจะแสดงตัวแสดงความมีอยู่ออกมาด้วยการยิ้มใอู้แล้วจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีออบเขตไม่มีลักษณะอะไรที่จะสัเกตได้เลยมันจะแสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาจิตันยิ้มได้จิงจิตมันวเราได้นะแปลกนะถ้าใจเลยคูบอกเจิตยิ้มจิตยิ้มก็ใช้ได้นะ แต่บางทีก็ต้องลอหนะเดี๋ยวผมก็่านหนสือที่พ่อประชาพ่อเขียนหลวงปู่ปัดไปค่อยๆอ่านหลวงปู่ปัดไปครับไม่แย่มากเลยรอถึน้าหาใช่ไหมเอ็น้าหนูสุดๆเลาได้น่เลยบตอนเป็นตอนหลวงปู่ว่าคู้ณโตหายคุณโตหายแต่คนื้อองค์นั้นก็สนใจนะดูแลองค์ภาวนาได้ดีคุณโตหายก็ดีด ก่ speed, ินจีนพ <scene. S 2> so ิารณาย้องขาดสติไม่แค่พิจารณาเวราะวลาจินตุลังเป็นตอนจีภาษานะก็ไม่พิจารุอย่าหลงปู่โดนสอนจีนกินเยอะจีเราได้ยินประโยชน์เจีนจีนความเขียนได้มีคนสร้างเป็นหน่วยข้อดีกับหลวงปู่ก็สอนให้จีนจีนใชนตึ้านนี่ก็ฝังไว้ว่าจินจินได้เขาก็ไปไหนมาหลวงปู่เจ้าค่ในชั้นั้นเห็น้จินจีนต่ ปู <contrario> ่ถามจิตมันยิ้มยังไงจิตเจ้ายิ้มยังไงเรยิ้ยอดกิเลสค่ับหรืเยิ้มยอดกิเลสยังไงเห็นใครก็มีกิเลสนะมันยิ้มยอดตลอดเลยงเนยจิิตยิ้ิยิ้นมันยิ้มคนอื่นะยิ้มยอกิเลสกอย่างนี้ไม่ใช่นะภาษาเหมือนกันนะแต่ว่าสภาะว่คนละเรื่องคนละโลกนะง้นต้อละมหันนะเ่อยตรงที่อริมารเกิดเกิดกัน จิตเห็นจิตอยากจิตแฉ่งนั่นสติก็รู้ลองที่จิตสมาธิก็ตั้งอยู่ที่จิตปัญญารู้ถ้ารู้เราเป็นในจิตเป็นความรู้แต่ภายในซึ่งไม่รู้่าคืออะไรเราไม่มีสมมติปัญญาเป็นถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการต่อมาจิตเป็นจิตอยากจิตแจ้งเป็นมั่งถ้าพูดให้เป่งยศนะจิตเห็นจิตอยากจิงแจ้งเป็นนารหันตธรรมะจิตเห็นจิตอยากจิตแจ้งนั้นเห็นอะไรเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ เห็นจิตเป็นไตรลักจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไครลักเมื่อไหร่เราเห็นจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เราแท้จริงด้วยปัญญาอย่างยิ่งมิเห็นจิตแห่งแจ้งว่าเป็นไตรลักเพื่อปัญญายิ่งจริงจอรหันต์ธรรมเกิดขึ้นจิตจะสลัดคือจิตให้โลภตอนหลวงปู่ดูใกล้สบกรณภาพวันท่านกรณภาพสามสิบกวันหลวงพ่อกลับทอยู่กละท่านตั้งแต่บ่าย ให้กขาสอนไปเรื่อยๆนป็นข้ามจุดเรียนเห็นท่านอเหนือทั้งหอออกนะสงสารคูบาอาการมากเลยบอกเล่าปูผมจะกลับละเล่าปูเลเป็นจริงนะผมจะกลับถ้าบอกจะกลับแล้วเหรอยักลับไม่ได้นะจำไม่นั่งก็จิตให้ทํำลายจิตก็ผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พก็จิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่แ่าอนสลยพ็ผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้ก็จิตให้ทําลายจิต จับไห้นั้นจับไหมของข้าของเจนจับไหมเออ็้างนี after, ้จับไปได้ครับเราฟังแล้นไม่เป <the human limitations> <soybean voice> ็นยางไงครับพวกผู้ดูจไหลายผู้รูพวกคิดาไหลายคิดไม่เข้าใจวันลูกพื้นเหมอนออกจากสุรินแบบแม็กโครล่าปฏิบัติพอออกจากหลวงคุณดูลนะหลวงพอจิ้แอสไปหาเยาต้องพูดพี่โครานตัดสัตว์บัตรเรเข้าพูดข้เด่นหน้าให้คุณบอกตอนไงนะปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไร่ะ รู truth, choice, AH ้วาลวงพ่ประเด็นอย่างหลวงพ่อดูเราหลวปู่สอนบอกว่ากะผู้รู้ให้ทหลายผู้รู้พอกจิตให้ทหลายจิตจึงงๆคือความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราก็พื่อนก็บอกเลยที่ไหนสุดยอดของความหลังบอกเจ็ดปันก่อนหน้านี้ให้มาหาลวงคุณดูเหมอนกลวงปูก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติใช้ากอะไรพรา็ผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พอกจิตให้ทหลายจิตจึงงๆคือความบริสุทธิ์อย่งแท้จริง แต่ท่านป่ารู้เรื่องหลวงพ่อป่าเรื่องไม่รู้ว่าทำลายยังไงหลวงพ่พุทธท่านเป็นขยายความให้ความว่าทำลายจิตไม่คือความไม่ยึดถือจิตอะไมันไม่ยึดถือจิตจิตไม่ยึดถือจิตจิตปล่อยวางจิตอะไรนั่นแหละไม่ว่าทำลายผู้รู้ไม่ใช่ทำลายสตินะคนระดับทำลายผู้รู้ที่แค่ทำลายสติสติแตกบ้าหรือใช่นะพอนามาหนามะหลวงพ่พุทธตนนั้เมตตา วิญาณารยาท่นานงามมากท่านรู้ว่าหลวงพ่อเรียจะลงดลูเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านท่านเลยไม่บอกนะว่าท่านจะสอนจนตาหลวงพ่อมามาเรียนจากเราเราจะสอ น, หนให้ให้พูดเลยนะท่านมารยาท่นานงามจริงท่านบอกว่าคุณจะจะมามบรรับุริษกาศในทํานายผู้รู้ได้ยนก่อนให้มาบอกกันท่านสอนอย่างต่ออย่างนี้นะเราฟังโอ้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะเราเด็กโรนเองเลยนะอายุนิดเดียวอง ท่นพูดขนาดนี้ที่แทท่านสอนท่านจะสอนวาการทาลายจิตนะต้งเป็นกานไม่ยึดจิตตัวเองผ่านนานาหลายทีนะจนกรท่่นหลวงพ่อพุใต้จะหมดภาพวันหนึ่งเชิญท่านท่านเป็นเที่ยวผ่านโทรศัพท์ก็ก็้ไปกราบท่านบางเทีวเกิดแล้วก็ไปกราบท่านลงก็ผมไม่เจอหลวงพ่อมาตกอบอกว่าอาจารยาจได้หลวงพ่อจได้นักปฏิบัติมีมมากหอก ก็ปเรียนท่าดีิวงต่อของย่ทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยย่ำทำลายจิดไม่ได้เลยท่านบอกเขียบขาดมากเลยนนะครูท่านพูดออกมาด้วนะฉลาดนามากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เป็นเหมือนตอไขเมื่อลูกไก่เดินโตเป็นที่มันจะเจาทลายเปลือออกเองท่านพูดอย่างนะี้เรารู้เลยว่าครธรรมะที่ท่านพูดนี่นะมันเป็นการทาลายผู้รู้พูดอย่างฉลาดมาก ไม่แบบน่มี อ, อ้อมค้อมปากท่านเป็นหมายเป็นโลมการที่เราจะเห็นจะทำลายตัวผู้รู้ได้เราต้องมีจิตเป็นจิตอย่างแข็งแจ้งจิตนท้นไหนต้องเห็นได้ไประหัตบางท่านท่านเห็นว่าจิตเป็นของไม่ดีเป็นของไม่พิเศษเป็นของไม่ดีไม่พิเศษนะก็มันจะเคร่ยดบาท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะนก็มันจะทุกข์มันทุกข์ต่อทุกผิตทั้งตัวมันนั้นไหนเป็นตัวรู้ ท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของพิเศษเพราะเป็นความเขาไม่ได้เป็นอนัตตาและท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของพิเศษแต่ัวผู้รู้ไม่ใช่ของดีของพิเศษท่านถึงจะสลัดคิดถ้าเราอยากเห็นว่ากายนี้แจนี้เป็นของดีของพิเศษอยู่เรายังคิดไม่ได้แต่พวกเราตื่นให้ร่างกายนี้เป็นของดีของเราใครมาชื้ยแผนเราใส่บาศก์เาขายไหมไม่ยอมนะเป็นของดีของเรานะห่วงนะแกหนังเจียวยังแกช่วยัดห่วงอยู่ ก็เราเห็นว่ามันเป็นของดีของพิเศษการที่เรามาเดินปัญญามามีจิตที่ตั้งมั่นรู้และรู้ตัวอยู่จิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปลงาทั้ดูลงในกายดูลงในจิตใจด้จะเห็นแต่การนี้แค่นี้เป็นของที่เป็นของดีของพิเศษเหมนที่เคยคิดเคยเรียนรับอย่าทุกวันนี้เราเห็นว่าร่างกายเป็นสุขวางเป็นทุกข์ว่างรู้สกอย่างนี้ใช่หมเดถ้าพนนั้เป็นเราเร่างกายมีแต่ทุกข์ทุกข์้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย รอเห็นหน้ากายเป็น <Europeans> ทุกข์รุ่นรุจิตจะสละคือกายพิโรธภูมิทางขอผู้ที่สละคือกายพิโรธได้คือร่างกามียิ่งเมื่อไหรเห็นจิตที่เป็นทุกข์ร้่นๆจะสละคือจิตพิโรธพวกเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์รุ่นรเราไม่มีทางรู้สึกเลยแต่จะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นสุขว้าเป็นทุกข์ว่ารู้สึกไหมเรารู้สึกอย่านี้เท่นี้ไม่ปล่อยวังต่อเมื่อไหร่ัญญาแกงกล้าเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์รุ่นรกายเป็นทุกข์รุ่นรุ่นจิตเป็นทุกข์รุ่นร เราจะเป็นอิสระจากธรรมะนีวิธีปฏิบัตินะในวันนี้พูดเรื่องดูจิตแแต่ต้องเลยนะดูจิตยังไงให้มีสีดูจิตยังไงให้มีสนัตติดูจิตยังไงให้เกิดกัญจารู้จิตยังไงเกิดอริยมรรคดูจิตยังไงข้ามโลกเลยเป็นนารากณ์รรมะแค่จิตงงเห็นจิตยางแก่แช่เท่นัเป็นนารายณ์รรม งั้พวกเรามาหาถึงจิตๆแจกตัวเองนะขั้นแรกง่ายที่สุดเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตการรู้ทันตัวนี้นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตกานรู้ทันจะไม่ด่ากิเลสตีกิเลเขาแค่รู้ทันอยากไปแทรกแทรกอยากไปห้ามมันด้วยเอาแค่รู้ทันนะสิมันจะมีขึ้นมาแตจากนั้นนะจิตมีวปคิดการู้ทันจิตมีวปคิดการรู้ทันเราจะได้ความตั้งมั่นจิตจรุญออกแต่ว่าความคิดจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ได้แล้วก็ เรเชืในปัญญาได้จะทำพิพัฒ น, นาะะได้เาทำพิัฒนาจไเห็นร่างการถาออกไปนะรากายแต่จิตเป็นโนละานความสมความรู้กับจิตก็เป็นคนลาอันกันครูสอนครูสอนทั้งหลายแต่จิตก็เป็นโกระอันกันจิต เ, เองก็เกิดดับเริ่เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้ว ด, ดับที่เองเหรอ้เราต้องูให้พอนะดูใออห้อพแล้วก็สีานที่ปัญญาพิมุติจะเกิดเป็นลาดับบไป หรือจะเป็นภาวนาวิธีหรือนะไรสุดท้ายก็ลงมาที่จิตไม่ได้ีมไม่พหรอรักษาจีตให้ดีนะถ้ามีสติรักษาจิตแต่เกิดสมาธิได้ดีนะถ้ามีสติรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ผูกสางสมาธิก็จิงเกิดมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นเป็นเนี่ยถ้าใจชอบหรือจิตรู้จิตเปไปได้จะรู้มันเป็นแบบสิ่งที่ถูกรู้สูดูเราเป็นแค่คนดู เป็นอย่างนี้เรื่อยไปคุณใช้ปัญญาคุณแทรกคุณปลยปล่อยวางจิตถ้าเมื่อไหร่ไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดในโลกเป็นตัวเราที่คือภูมิธรรมของก้าวสัตว์ธรเมื่อไหร่ไม่ยึดถือจิตต้องไปไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้เป็นภูมิธรรมของก้าวสัตว์ธเพราะั้นจิตนี่สําคัญมากถ้าเรียนแล้วรางตัดจบเข้ามาจิตตรงนี้ได้ก็ไปได้เร็วมายนื่ก็ว่พร้อมแต่บางคนจับเป็นเฉพอม ก็ดูเขามาดูกินไมได้เาก็ดูปายก่อนได้กินอะไรแต่จะดูปายได้จินต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิหลังไปดูปาไม่ได้เรื่องกินจะทุกข์เศร้าดีไม่ดีเป็นตารางไม่เที่ยวร่างกายนิ่งไม่เกิดกัญญาชีิตถ้าี้ก็ก่อนนะก็มากกว่นี่เขาไม่รู้จมากกว่านี่ม่ใช่จินแต่ไม่รู้จักกูพูดกินไม่ใช่จิแต่ก็มิใช่ก็้ิใช่กิ พูดจริงๆไม่ใช่เรื่องโวมารนะเราจิตหลายบางจริงแ้นจะรู้หรือจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตเป็นอะไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอะไจิตกระทำนี้รวมเป็นเดียวเลยจิตสลายตัวทีนเป็นธรรมจิตได้ทรธรรมแ้พุทกรรทีสอะไรสมมวัฏไปจากตัวธรรมนี่ให้เราเปี่ยนขึ้นมานะ ให้จิตจิตใจไหนๆก็มาป็นวัดบูรณะเปลี่ยนธุริจให้เฉยแจ้งได้อย่าน้อยรู้ทางจิตไม่จิตสีมากไม่จบในโลกวันนี้ก็ระดับน้ความนอยู่ไกลมากหาสาระคำยาสมทบให้รับรอรทสกอย่า เดียดตาวารื่องปวดร้าวไปุ่นปีศาร้าวววาห์วิธีการรูจิตัิกเววาสุุสัเุิสัตปตนารโยาิสราโยาัวิวััพโโินุมเวสรยสุีติโวะ ภาพระวาติศาสตนิที่แสดงมุขการโยกยกระโจนทางประัตินัยุวันโสดังตลังพวกราลูกศิษยนะคุยกันนะขอหยาดใจนะวายนะขอสายตั้งรกาขอขใจที่ร่วมมือกับหลพ่อนี้ทำหนึ่งปันจริญกัน